ผู้ท้วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะของวันจันทร์วันศุกร์เราก็ เกือบสุดท้ายของปีแล้วเหลือไม่กี่วันจะหมดเดือน เอิ่มเป็นคำไขสะโลภภิกขุภิกขุภิกขุอือมันเป็นภาษาบาลีค่ะเอ่อภิกขุนี่ก็สมณะที่หมาย หมายผมแต่ว่าไม่ได้ใช้คําว่าภิกษุถูกมั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่าใช่ตอนนั้นพอเป็น ก็มีข้อบัญญัติอะไรที่รัดกุมต่างๆเช่นเรื่องจีวรเรื่องที่พักทรงผมอะไร เอ่อทีนี้ได้เกริ่นเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะคะอืมคือเหมือนกับว่าเราบางทีๆแป๊บๆดูซิเนี่ยจะหมดปีอีกแล้วพระ เอ่อมันจะต้อนสัตว์ไปเนี่ยเวลาเนี่ยจะต้อนไปต้อนไปเหมือนค่ะน่าสนใจมากนะครับ พูดถึง time and space นะคือมีเวลาแล้วก็ เขาก็สามารถย้อนไปดูอดีตไปดูอนาคตอะไรต่างๆถ้าเขามีความสามารถตรงนั้นค่ะ อันนี้เป็นประการที่ 2 ที่ space มีความใช่ค่ะอ่าเรื่องเวลาเรื่องเวลาก็ นะก่อนนั้นนะจะไม่มีอะไรทุกอย่างเพราะว่าเมื่อมีดวงโลกเราหมุนโลกรอบ เอ่อ 1 เดือนครับเอ่องั้นสงสัยค่ะท่านก็คือถ้าพูดถึงประเด็นนี้บอก สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นไปในทางเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องเวลาเหมือนกันค่ะนะคะเอ่อนักวิทยาศาสตร์เค้าให้นิยามของเรื่องเวลาหมายถึงความ แต่ว่าดั้งเดิมเดิมทีเนี่ยก็คือเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าๆเป็นการนับวันนับ 3 ที่ได้พบ ใช่ในเรื่องเวลานี้สมมุติว่าถ้าเราเราเห็นเนี่ยเอ่อวงโคจรโลกหมุนรอบตัวเอง บางคนก็อาจจะแข็งแรงแม้ลมหายใจของเรานี่สดชื่นใช่เพราะ 1 ครั้ง 1 รอบคร<นะ S> 1 รอบของลมหายใจแต่เราไม่รู้หรอกว่ามัน 1 ครั้งล่ะประเด็นก็คือว่าแล 1 แล้วใช่ค่ะแต่ไม่รู้ยังเหลืออีกเท่าตายเนี่ย เป็นมรรคนะมรรคเนี่ยคือหนทางที่จะไปสู่ซึ่งมรรค ไปสู่ความที่ไม่ตายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่าเวลาไม่ดีมันๆมันเป็นเครื่องที่ทํา ความตายขณะที่เดินไปสู่ความตายก็สามารถที่จะเดินไปสู่ความไม่ตายได้ รู้ลมหายใจมีสติในลมหายใจนั่นก็เป็นสมาธิคุณมีสติอยู่ 8 อย่าง ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามมรรค 8 เนี่ยคุณก็ชื่อว่ากิเลสคุณก็หล่อออกไปในกิเลสหล่อออกไปๆนะใจๆไอ้กิเลสตัณหาวิชชาเนี่ย ไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแล้วท่านไภบุญเนี่ยไปงานศพนะ ในวงล้อมของการชุมนุมกันเคลื่อนไหวไฟหมายไม่ค่อยสะดวกแต่เรานั่งสวดศพเราได้คิดอะไรอย่างนะ เด็กๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นคนนั้นจริงๆมันจะมีบรรยากาศความเนี่ยอืออ้อเขาจะคิดอย่างนะไม่ นะจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องมีการแตกตามลายเป็นที่สุดเหมือนกันกายนี้ที่แห่งแผ่นดินไหนที่มัจจุราชจะไปถึงเนี่ยไม่มีไม่ซึ่ง แล้วถ้าความตายมาถึงแล้วเนี่ยกายยังไงมันก็ต้องแตกค่ะเพราะๆท่าน<ใช> แต่ในขณะที่เราก็คิดว่าโอกาสที่ <laughs> ก็คงจะต้องไปต่อในวันพรุ่งนี้ยังมีอีกมั้ยคะเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะมาเล่ากันค่ะเอ่อพระพุทธเจ้าให้ใช้เวลาอย่างคุ้มๆกราบนมัสการขอบพระคุณท่านไพบูลย์ กับรายการสังสรรค์ทาง FM 106 ค่ะพบกันใหม่